ภิกษุเหล่านั้นเมื่อจะอยู่ก็อยู่ด้วยกันเมื่อจะจากไปก็จากไปพร้อมกันพวกท่านปู่ที่นอนในวิหารของสงแห่งหนึ่งเมื่อจะจากไปไม่เก็บไม่ใช้ให้เก็บที่นอนนั้นไม่บอกมอบหมายพากันจากไปเสนาสนะถูกตัวปลวกกัดบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตําหนิประนามโพลธนาว่าเชนไพวกภิกษุสัตตะสาวกีปู่ที่นอนในวิหารของสงแล้ว เมื่อจะจากไปไม่เก็บไม่ใช้ให้เก็บที่นอนนั้นไม่บอกมอบหมายพากันจากไปจนเสนาสนะถูกปลวกกัดเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุสัตรรรศวะคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ